เพราะฉะนั้นอริยผลคือความสงบประโยคะคือความพยายามคือการถึงที่สุดแห่งประโยคะชื่อว่าประโยคะปฏิปสัสสธิสงบแล้วเนี่ยหมายความว่าทําเสร็จแล้วถึงที่สุดแล้วก็เกว่าพักได้แล้วนะอริยผลนี่เป็นการพักประโยคะปฏิปสัสสธินั้นคืออะไรคือการสิ้นสุดแห่งกิจในมรรคทั้งสีมรรคทั้งสี่มรรคเนี่ยนะ คือโสดาปฏิมัคสกะทาคามิมัคอนาคามิมัคอรหัตมัคเนี่ยมัคสี่มัคที่ทํากิจเสร็จแล้วแต่ละอย่างเนี่ยเรียกว่าปฏิปสัสสธิสงบระงับแล้วเนี่ยนะก็คือทํากิจเสร็จแล้วอ่ะนะปัญญาในผลเป็นไปแล้วเพราะประโยค่าปฏิปสัสสตินั้นเป็นเหตุชื่อว่าประโยค่าปฏิปสัสสติปัญญาปัญญาในอริยผลนั่นเองปัญญานี้เป็นผลเพราะอถิว่าย่อมผลิตผล คือย่อมให้เกิดวิบาบกอีกในหนึ่งก็บอกว่าเป็นผลของของมรรคใช่ไหมมันเป็นผลผลิตของอริยมรรคอีกทีหนึ่งอริยผลนั้นเป็นผลผลิตของอริยมรรคในผลนั้นญาณอันสัมปยุติกับผลจิตนั้นชื่อว่าพระเลยานังก็ต่อจากมรรคญาณหนึ่งหนึ่งพลจิตเป็นวิบากแห่งมรรคจิตนั้นนั่นแหละมีนิพพานเป็นอารมณ์ก็ผลจิตเนี่ยนะเกิดขึ้นยังไงบ้าง ผลจิตนี้ท่านบอกว่าถ้าเป็นพวกติขบุคคลหรือว่ากลุม่มอขิ ป, ปาพิญญาเนี่ยนะพวกบรรลุเร็วนั้นอนะ่ะพวเนี้ยจะมีผลจิตยอยู่สามขณะถ้าพวกบรรลุช้าหน่อยมีสองขณะแต่เป็นถ้านในวิสุทธิมรักษ์กับในอัตถกถาอุทานปฏิเสธหนึ่งขณะว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีหนึ่งขณะเนี่ยนะท่านท่านปฏิเสธนะแต่ว่าอัตถกาตถาปฏิส้มทิทาท่านแสดงเอาไว้ว่า ผลหนึ่งขณะจิตมีอยู่แต่วิสุทธิมรรคกับอัตถาอุทานเนี่ยนะปฏิเสธว่าผลเดียวไม่มีเนี่ยนะก็เรากร็รับไว้ทั้งนั่นนะท่านแสดงยังไงเราก็รับอย่างนั้นให้มีก่อนแล้วค่อยว่าทีมีหรือไม่มีน ะ, ะยังไม่มีก่ <c oughs> ปฏิเสธท่านเลยและเพราะผลจิตนั้นเป็นวิบากเกิดขึ้นในลำดับแผงโลกุตระกุศนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าสมาที่มานันตริกันยามาหก นิสูตรไหนรัตนาสูตรเนี่ย น, นะยาพุทธเศธโถ ป, ปริวันนี่ยิสุจริงสมาทิมานันตริกัญยามาหูสมาทินาเตนะสโมโณวิชตีทำปีรำมเมรัตนังปณีตังเนี่ย น, นะก็ถ้าใครเคยนิมนตท่าไปสวดมนต์ที่บ้านก็จะมีอยู่หรอกเนี่ยนะจะได้ยินบทนี้อยู่บ้างอะนะตอนทํามงคลทั้งหลายแหล่เนี่ยนะสวดมนต์งานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่อะไรท่านจะสวดบทเหล่านี้อยู่แล้วละ่ะก่อนจะรดน้ำมนต์แถวๆนั้นเนะ่ะเพราะสูตรสูตรนี้เป็นสูตรรดน้ํามนต์เขานะ้ามาเนีก็ เป็นสูตรรถน้ำมันก็ต้องสูตรสวด ร, รัตรนสูตรอยู่แล้วล่ะนั่นก็ก็ว่าสมาธิอั น, นะคือบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าสมาธิอันประกอบด้วยผลญาณซึ่งเกิดจากมรรคญาณว่าเป็นธรรมะอันบัณฑิตพึงรู้ทั่วถึงคือหมายถึงว่าเป็นสมาธิที่ให้ผลไม่มีระหว่างขั้นหมายความว่ามรรคกุศลเกิดขึ้นจะต้องมีผลเกิดขึ้นทันที และก ร, ะรัสถาเป็นต้นว่าทันทางอนันตริกังปาปุนาติอาสวานังขยานังเนี่ยนะพระโยคีบุคคลบรรลุธรรมวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะช้าพวกนี้ก็คือบางพวกอนะว่าอริยมรรคของบางคนนี้เกิดช้าใช่ไหมเกิดช้าอนุโลมมจิตของพระโยคีบุคคลใดมีสองขณะเนี่ยนะก็มรรควิถีนะขณะที่สามก็เป็นโคตรภูขณะที่สี่ก็เป็นมรรคจิต ผลจิตอีกสามขณะย่อมเกิดขึ้นแก่พระอริยบุคคลนั้นอันนี้ก็ชาวนะจิตมีเจ็ดดวงใช่ไหมเป็น อ, อนุโลมสองโคตรภูเป็นที่สามเนี่ยนะมักเป็นที่สี่ผลอีกสามขณะส่วนอนุโลมของพโยคีบุคคลใดมีสามขณะที่สี่ก็เป็นโคตรภูที่ห้าเป็นมัคที่หกที่เจ็ดก็เป็นอริยผลอันนี้แก่ พระอาาริยคนอาาริยบุคคลที่ตรัสรู้ช้าพวกพวกกลุ่มข้างบนเนี่ยเป็นพวกตรัสรู้เร็วพวกพลจิตมีสองนี่เรียกว่าพวกตรัสรู้ช้าส่วนอช้าเนี่ยแม้กระทั่งหนึ่งขณะจิตท่านยังเรียกว่าช้าเลยนะแล้วไม่อยู่อยู่ยนานไม่บรรลุสักทีหนึง่งจะเรียกอะไรเนี่ยขณะช้าหนึ่งขณะจิตเนี่ยยังว่าช้าเลยนะไม่บรรลุสักทีหนึ่งก็จะเรียกอะไรเนาะ ส่วนอนุโลมมจิตของพระโยคียบุคคลใดมีสี่ณะที่ห้าเป็นโคตรภูที่หกเป็นมัคจิตผลจิตมีอีกหนึ่งขณะย่อมไม่มีย่อมมีแก่พระอริยะบุคคลนั้นสรุปว่าในเนี่ยในที่มีผลจิตหนึ่งดวงวิสุทธิมัคปฏิเสธนะว่าอย่างนี้ไม่มีรกแล้วก็อัตกถาอุทานเล่มสี่สิบสี่หน้าห้าสิบสามก็ไม่ยอมรับเนี่ยนะ อันนี้พูดถึงอริยผลในมักควิทีกพลจกิตนี้สามารถมีได้สามขณะขณะแรกขณะในมักควิถีที่สองในขณะไหนขณะผลสมาบัติอย่างที่สามคือขณะนิโรธสมาบัติก็แบ่งออกเป็นสามสามระยะด้วยกันเนี่ยนะผู้ที่จะเสวยอริยผลได้เนี่ยนะขณะแรกคือ ในมรรควิถีใช่ไหมโสดาปฏิมรรคเกิดขึ้นโสดาปฏิผลจะเกิดเลยอนาคาสมรรคเกิดเออสาก่าทาคาสมรรคเกิดขึ้นสาก่าทาคามมผลก็เกิดเลยสามอนาคาสมรรคเกิดขึ้นอนาคามมผลก็เกิดเลยอรหัตตมรรคเกิดขึ้นอรหัตตผลก็เกิดเลยทีนี้ผ้ารยะบุคคลทุกท่านก็สามารถเข้าพระสมาบัติได้คือหลังจากนั้นเนี่ยนะจะสเสวยวิมุตติสุขอ่านะวิมุตติสุขที่เกิดจาก โซดาปฏิพันธสกอาฆาคามีผลอนาคามีผลหรืออรหัตตะผลก็ได้นะซึ่งใครที่ได้ความสุขอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างยอดอย่างท่านนเนี่ยนะท่านไปหลีกรั้นอ่านในพระไตรปิฎกที่เจอคาว่าหลีกร้นหลีกร้นที่ไหนนะให้รู้เท่าว่าท่านไปเข้าพระสมาบัติกันนะไม่ใช่ไปอยู่นั่งเงียบๆนิ่งเป็นหลับไม่ใช่นะอย่างนี้ท่านสามารถกาหนดเวลาเข้าพระสมาบัติยาวนานได้นหมครับ อโดยทั่วๆไปแล้วผู้ที่มีวสีก็ทําได้คือคือสามารถกําหนดเวลาได้หมายถึงต้องได้ฌานด้วยคือโดยธรรมชาติของพระสมาบัติเนี่ยระดับประทอย่างน้อยที่สุดเทียบระดับประถมฌานอยู่แล้ววันนี้ถ้เกิดทัานเป็นวิพวก ว, วิปัสสกะแล้วครับเอ่ยังไงก็เข้าได้ทั้งหมดเพราะว่าขณะอริยมรรคนี่ระดับอัปปนาท่านถือว่าอย่างน้อยที่สุดอริยมรรคของข้าริยะบุคคลทั้งหมดเทียบเท่าระดับโสดาปติมรรค เอเทียบระดับปฐมฌานเพราะฉะนั้นอริยผลของผ้าอาริยทั้งหมดเวลาเข้าก็เทียบเท่าปฐมฌานทั้งหมดคร น, นี้ว่าสีของฌานกับว่าสีของวิปัสสน า, านี่มีเหรอฮะว่สีของวิปัสสนาเพราะว่าเข้าพระสมาบัตินี้ไม่ได้เกี่ยวกับฌานเลยเนธะอพระสมมาบัตินี่นะปัญญาที่พิจารณาสังขารอย่างแรงกล้าจึงจะเข้าพระสมาบัตได้ คือด้วยอนุภาพของวิปัสสนาปัญญาที่พิจารณาสังขารอย่างแรงอันนั้นเป็นจะเข้าพระสมมาบัติเขาแบ่งอย่างี้ถ้าถ้าคนที่สมถะอย่างแรงนะพระสมถะพระมีแรงพวกนี้จะเข้าพชามสมมาบัติพวกที่ปัญญาแรงในการพิจารณาสังขารพวกนี้จะเข้าพระสมมาบัติแต่ถ้าสามารถเจริญควบคู่กันไปได้ สม่ำเสมอกันไม่อย่างใดอย่างหนึ่งจนเกินไปพวกนี้จะสามารถเข้านิโรธสมาบัติพรลันจะเข้าสมาบัติอยู่ที่การพิจารณาสังขารว่าไอตัวปัญญาที่พิจารณาสังขารเนี่ยมีกําลังมากไหมถ้ามีกําลังมากก็สามารถเข้าพระสมาบัติได้ทีนี้จะเข้าได้นานหรือไม่นานก็อยู่ที่การน้อมมนักสิการอย่าว่าเข้าพระสมาบัติเลยคนเราทั่วๆไปยังกําหนดเวลาหลับได้เลยใช่ไหมได้ไหม กำหนดถ้าบางคนชอบหลับยาวถ้าตั้งนาฬิกาปลุกไว้แหะก็ทําได้อยู่แล้วอธิษฐามได้ก่อนอะไรก่อนก็สามารถจะทําได้นะตั้งเวลาตื่นยังได้เลยนะนั้นก็ด้วยอนุภาพของเจตนาที่ตั้งเอาไว้ตั้งแต่เดิม嘛เนะี่ยก็สามารถทําให้ออกตามที่กําหนดได้แต่ถ้ามีปริโพศผ้าระยะก็มีปริพศนะมีผ้าหันสองรูปสมมเนธกับพระเถระนนะเนี่ยนะสมมเนธก็ทำเป็นผ้าหันอุปชา หรืออาการนี้ก็เป็นพระาพฐานสองรูปไปด้วยกันทีนี้ความที่อุปชาเนี่ยเป็นพระเถระนะเขาก็มีที่อยู่ให้สามเณรเนี่บวชใหม่ก็ไม่มีที่พักให้ก็สา ม, มนเณนก็ต้องไปอยู่คนไม้นันะ่นแหละอุปชาอยู่กุฏิเสร็จแล้วอุปชาก็ไอ้สา ม, มนเณนเราเป็นยังไงนะวันนั้นเลยไม่ได้เข้าพระสมาบัตดหลกอกกังวลส่วนสา ม, มนเณนเข้าพระละสมาบัตดสบายนะ ก็เลยเช้ามาก็มาคุยกันบอกว่าผมเข้าสมาบัตตลอดอุปชาก็โมแต่สัมมาเนนเป็นยังไงเนาะสั ม, มเนนเป็นยังไงอันนี้ก็เรียกว่าปริโภ o t h อย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ปริโภ o t h ของพระอรหันต์นี่ไม่ใช่อกุศลก็กุศลและจิตนั่นแหละเกิดในสันดานของพระอรหันต์เรียกว่ากิริยากิริยาก็คือกุศลแต่เป็นกุศลที่ไม่มีไม่มีวิบากต่อไปเลยเรียกว่ากิริยาคือ ปัญญาในอริยมรรคเนี่ยนะคือปัญญาที่กําลังทํากิจกําหนดรู้ทุกปัญญาที่กําลังทํากิจละสมุทัยปัญญาที่กําลังทํากิจแทนตลอดนิโรธเนี่ยนะขณะนั้นเป็นการเจริญภาวนาแล้วก็เป็นชาติกุศลส่วนอริยผลเนี่ยมันชาติวิบากเนี่ยนะเป็นเป็นชาติวิบากซึ่งเป็นผลของปัญญาในขณะอริยมรรคในบรรดาการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยนะ ขณะมร์เนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่กว่านี้อีกแล้วโซดาปฏิมร์เนี่ยนะเลิศ ก, กว่าเนวสัญญาณาสัญญาญตนะโดยความสงบความประนีตเนีนะโสดาปฏิมร์เนี่ยหารสิบหกหนึ่งเซียวในสิบหกเนี่ยเนวสัญญาณาสัญญาเนี่ยเนวสัญญาณาสัญญาญตนะเนี่ยสู้โสดาปฏิมร์ไม่ได้เัราโสดาปฏิมร์เนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดว่า กำหนดไม่เกินอีกเจดชาติอะอบายปิดหมดเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนใช่ไหมเป็นความยิ่งใหญ่อย่างจริงๆแต่ว่าอาริยผลเนี่ย ม, มันสงบระงับแล้วตัดสินใจเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเออคล้ายๆว่าพอพ อ, พอถึงผลลยามาเพราะว่าเราขึ้นฝั่งแล้วและที่เราระ ง, งับประโยคนะในมครคนี่หมายคาะว่าเราสละเลือถูกหมครับลักษณะพอสมมติมอย่างนั้นได้ไหม ก็ตอนหลังท่านจะอุปมาให้นะบอกว่าคนถึงที่โล่งสบายแล้วเนี่ยคือหมายความว่าพอพ้นระดับหนึ่งก็สบายนะเป็นคือเสพวิมุติสุขวางกันเถอะเป็นเป็นผลที่เกิดจากบรรลุอันนะแต่ถ้าเป็นวิมุติเนี่ยมันขณะบรรลุแต่นี่มันสุขที่เกิดจากการบรรลุแล้วพอบรรลุเสร็จแล้วก็สวยความสุขที่เกิดจากการบรรลุอันนะก็อันนี้ก็เป็นกลุ่มโลกุตระธรรมนะถ้าโลกุตระธรรมเนี่ย ตรงเนี่ยผู้ที่จะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโลกุตรธรรมดีนะสังเกตดูนะว่าสวาคาโตภควาตาธรรมโมสันทิติกวาการิโกเอฮิปัสโกเนี่ยพวกบทเหล่านี้เป็นบทอธิบายมรรคผลเหล่านี้เดนะก็ดูว่าเวลาสวดสวาขาโตและทราบซึ่งขนาดไหไก็ดูได้จากความเข้าใจในธรรมะเหล่านี้นะื่อที่สนใจเพราะว่าเห็นศั์ตัวปโยคะปะโยคโคเนี่ย มีความสนใจมากเลยเมื่อกี้นี้ท่านบอกว่าถ้ามร์เนี่ยนะถ้าไม่ทําขึ้นได้ไหมไม่เจริญได้ไหมปล่อยเหมืนอนกันได้ไหมท่านถามผมเนี่ยตัวเนี่ยตัวประโยคเนี่ยต้องต้องเป็นตัวทําขึ้นแล้วตอนนี้เลิกแล้วเพราะว่าไปถึงผลแล้วก็พอคนที่ทําอะไรเสร็จแล้วก็ต้องเลิกกันนะก็เหมือนกับว่าหุงข้าวก็กิจที่จะหุงให้มันสุกก็ทําเต็มที่แล้วใช่ไหมพอสุกแล้วไปทำอะไรต่อไปก็กิจหุงเนี่ยไม่มีแล้วกิจคือการหุงก็ไม่มีแล้ว ก็คือทําเสร็จแล้วก็เหมือนกันกิจในการปรุงยาอ ม, มะตะกินหายแล้วก็หมดกิจที่จะต้องปรุงอีกต่อไปเนี่ยนะเพราะนั้นอริยมรรคก็เหมือนกันถ้าปรุงอริยมรรคจนประสบความสําเร็จเสร็จแล้วอ่ะนะหรือยากินจนหายแล้วก็ไม่รู้จะปรุงยาทําอะไรอีกนะเพราะมันหายโรคแล้วนะ <S <S คือถ้าวิริยะหรือเพียรเฉยเนี่ยมันรรคเดียวมรรคมีเท่าไหร่มีองแปดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เลยใช้คําว่าวิริยะไม่ได้ไม่พอ เนี่ยนะพอมอง์มรรคมีตั้งแปดนะสัมมาทิฏฐิไม่ได้กิดเพียนนะมันกิดเห็นนะ่ะทัศนัตโถเนี่ยนะก็คือ อ, อัตัวสัมมาทิฏฐิทำหน้าที่เห็นจะไปเพียนได้ยังไงสัมมาสังกปะอภิโรปนโถยกจิตขึ้นสัวรมณ์เนีนะนะอันนั้นก็ทํากิจอีกอย่างหนึ่งสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะนะซึ่งขณะนั้นทํากิจอะไรละ่ะเพราะสัมมาอย่างสัมมาอาชีวะเนี่ยผ่องแผ้ว สัมมาวายามะตัวเนี้ยปักกหัดโถเพียนเนี่ยใช่ปักกหะเนี่ยนะภาพเพียนสัมมาสติอุปทานะโถตั้งมั่นสัมมาสมาธิอวิเขปัดโถคือไม่ฟุ้งซ่านเพราะามันจะใช้คําว่าวิริยะอย่างเดียวมันไม่พอเนี่ยเนยีเพราะองค์มัชมีตั้งแปดองค์ก็เลยใช้คําว่าโยคะทีนี้มาปะนาหน้าก็เลยเป็นประโยคะบุคคลผู้ผู้มีโยคะอย่างนี้เรียกว่า โยคีอย่างในเทศนาหาราเนีที่ว่าพระพุทธเจ้าสอนอแสดงคำคืออาส า, าทาอาทีนวะนิสรณะผลอุบายอานัตเนี่ยแสดงแก่ใครแสดงแก่โยคีทั้งหลายนี่ยก็คือพระโยคีทั้งหลายนี่ในทางธรรมะนี่เขาเรียกว่าโยคาวจรบุคคลคือผู้ที่ประกอบเนี่ยประกอบมรรคนี้ก็พระโยคาวจรพระโยคาวจรหรือพระโยคีเนี่ยนะในธรรมะเนี่ยอ่านในอัตถิฐานหรือในพระไตรปิฎกจะเจอคําเหล่านี้ บ่อยมากเป็นธรรมดาเลยก็เป็นการจริงๆก็เป็นการทํากรรมนโยนิโสมนสิกาน่ะนะคือถ้าโยนิโสมนาสิการมันมันไงมันอาวัชนะขึ้นว่าเราจะอาวชนะไปหาอะไรเพราะนั้นการอาวชนะนี่ถ้าเบื้องต้นอาวัชนะเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิใช่ไหมอาวัชนะเพื่อให้เกิดสัมมาสังกัปปะอาวัชนะเพื่อให้เกิดสัมมาวาจาเป็นต้นหรือถ้าพูดแบบโ่อชงอ่ะนะ คิดยังไงสติสัมโพชงจึงจะเกิดอันนั้นแหละโยนิโสเพื่อให้สติเกิดคิดยังไงให้เกิดธรรมวิจยะสัมโพชงคิดยังไงให้เกิดวิริยะเกิดปีติปัสสัตทิสมาธิเป็นต้นเนี่ยนะโพชงแต่ละอย่างแต่ละอย่างเราน้มไปตรึกไปคิดยังไงอันนั้นเน่ยอยู่ที่อาวัชนะวันนี้โยนิโสมนาสิการหลายแห่งท่านจึงบอกว่าอาวัชนะก็คือการน้มไปนึกนะนะเพราะฉะนั้นมักแต่ละอย่างนี่ยมันอยู่ที่การน้อมนึก